ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลเรื่องที่สาสิบสี่ปกินนกะวินิชยกถากากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องเด็ดตเตตต่อ ต่อไปเป็นเรื่องของอานพยาบาลพิกษุไข้ภิกษุผู้อุปถ า, า, าพิษุอาพาถึงอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอจกไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจากพยาบาลดูก่อนพิษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปถากเราผู้นั้นพึงพยาบาลพิสุอาพาดดังนี้จึงอุปถากโดยความเคารพเธออันนี้แสดงเป็นเครื่องหมายว่าการที่ใครจะอุปถากพระพุทธเจ้าก็ให้ไปอุปถากพิสุผู้อาพาสี้จะถือว่าเป็นการอุปถากพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการทำความเคารพสการะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า ให้อุปถาภิกสุอาพาธแทนที่จะมาดูแลเราเนี่ยให้ไปอุปถาดูแลทิกสุอาพาธเพราะฉะนั้นใครกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าก็คือได้อุปถาพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะมีพระบาลีว่าถ้ามีอุปัชาอุปชาพึงพยาบาลตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีอาจารย์อาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีสัตวีวิหาริกสัตวีวิหาริกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีอันเทวาศิกอันเทวาสิกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปชาภิกษุผู้ร่วมอุปชาพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย ถ้าไม่มีอุปชาอาจารย์ไม่มีตัดิวิหาริกอันเจวาสิกภิกษุผู้ร่วมอบูชาหรือว่าภิกษุผู้ร่วมอาจารย์สงต้องพยาบาลถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้เพราะฉะนั้นเคยเรื่องสำคัญนะว่าถ้ามีภิกษุผู้ป่วยไข้นี้อย่างไรเสียก็ต้องพยาบาลถ้าไม่มีคนอื่นพยาบาลอย่างไรก็สงต้องจัดเวรกันไปพยาบาลต้องดูแล พระอุปชาเป็นต้นเหล่านั้นของพิสูุใดไม่มีในวัดนั้นพิสษุรูปใดเป็นพระอคันตุกะเที่ยวไปรูปเดียวเทกสุนั้นเป็นภาระของสงฆ์เพราะเหตุนั้นเธออันสงพึงอุปทาถ้าไม่อุปทาเป็นอาบัตแก่สงฆ์ทั้งสิ้นเลยก็คือพิสูตแต่ละรูปแต่ละรูปทั้งหมดนั้นนะเป็นอาบัตหมดเลยก็แลพิกษุทั้งหลายผู้ตั้งวาระพยาบาล ภิจุใดไม่พยาบาลในวาระของตนเป็นอาบัติแก่พิจุนั้นเท่านั้นแม้พระสังฆเถระก็ไม่พ้นวรรคกระทั่งพระสังฆเถระปัญายี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็ไม่พ้นนะก็ต้องมีวาระในการที่จะมาดูแลแต่ดูแลไมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าสงทั้งสิ้นกระทำภาระให้แก่พิจุรูปหนึ่งหรือพิจุผู้สมบูรณ์ด้วยวัดรูปหนึ่งรับรองว่า ข้าพเจ้าจากพยาบาลเองแล้วปฏิบัติอยู่สงพ้นจากอาบัติถ้ามีพิกษุผู้ชราผู้สามารถรูปในรูปหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวัดรับอาสาว่าจะดูแลเองพิจุรูปอื่นทั้งหมดไม่ต้องดูแลไม่มีอบัตก็พิจุให้ควรเว้นห่างจากองค์ที่ไม่สมควรห้าประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนพิจุทั้งหลาย ที่สุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นผู้พยาบาลได้ยากถ้ามีองค์ห้าเหลา่านี้ก็แปลว่าพยาบาลได้ยากก็คือไม่รู้จักทําความสบายให้แก่ตนเองอย่างหนึง่งข้อที่สองไม่รู้จักประมาณในความสบายอย่างหนึง่งแค่ไหนสบายแค่ไหนไม่สบายก็ไม่รู้ข้อที่สามไม่ฉันยาอย่างหนึง่งข้อที่สี่ไม่บอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลผู้มุ่งประโยชน์อย่างหนึง่ง คือไม่บอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเรา ว, ว่าทุเราอาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็คือมีนิสัยเป็นคนไม่อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายอันกล้าแขนรุนแรงไม่เป็นที่น่ายินดีไม่เป็นที่พอใจอันจพะพ่าชีวิตเสียอย่างหนึ่งถ้าข้อนี้นะ เป็นองค์ประกอบของที่สุผู้ป่วยไข้ที่พยาบาลได้ยากถ้ามีองค์ห้าเหล่านี้ไม่ทำความสบายแก่ตนเองอยากจะฉันอะไรก็ฉันอยากจะทำอะไรก็ทำไม่รู้เลยว่าจะป่วยกับเริ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้จักประมาณความสบายแค่ไหนสบายแค่ไหนไม่สบายก็ไม่รู้ไม่หัดสังเกตแล้วก็ไม่ฉันตรงเวลาหรือว่าไม่ฉันเลยไม่บอกอาการไข้แก่ผู้พยาบาลด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่อดทน บป็นคนที่มีความมักโกรธ ด, ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบบนชอบว่าชอบจู้จี้ด้วยใครๆก็เอื้อมระอาในการที่จะพยาบาลเรียกว่าพยาบาลได้ยากพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าที่พระผู้มีพระภาเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ดูกรที่สุทั้งหลายที่สุอ า, าพาที่ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายถ้าพยาบาลได้ง่ายใครๆก็อยากจะพยาบาลอยากจะดูแลองค์ห้าของผู้ พยาบาลได้ง่ายก็คือรู้จักทําความสบายอย่างหนึ่งรู้ว่าอะไรทําให้สบายอะไรไม่สบายอาหารอันไหนฉันได้ไม่กําเริบไม่แสลมหรือว่าอาบน้ําก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือเปล่าใขรจะกําเริบหรือเปล่ารู้จักความสบายอย่างหนึ่งอันที่สองรู้จักประมาณในความสบายด้วยแค่ไหนสบายแค่ไหนไม่สบายก็รู้ข้อที่สามก็เป็นผู้ฉันยาฉันยาตรงเวลาแล้วก็ฉันยาตามที่ผู้พยาบาลแนะนําบอกให้ แล้วก็ข้อที่สบอกอาการป่วยไข้าตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลผู้มุ่งประโยชน์คือบอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุรา ว, ว่าทุเลาอาการไข้ที่ตรงอยู่ว่าตงอยู่อย่างหนึง่งส่วนข้อที่ห้าก็คือมีนิสัยเป็นคนอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายอันกล้าแข็มรุนแรงไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่พอใจอันจะพผ้าชีวิตเสียได้อย่างหนึง่ง ก็เป็นคนที่อดทนเป็นคนที่มีความภาคเพียรแม่ป่วยไม่สบายไม่ทอดทิ้งกรรมฐานแล้วก็ไม่เป็นคนจู้จี้ขี้บน่นทำมะที่อดทนต่อความทุกข์ยากลบาบากอาหารช้าหน่อยหรือว่ายาไม่ได้เอามาตรงเวลาก็ไม่โกรธเคืองเป็นคนที่มีเมตตาชิต ด, ด้วยคนที่พยาบาลก็อยากจะพยาบาลและทิกษุผู้พยาบาลที่สุดให้ควรเว้นห่างจากองค์ที่ไม่สมควรห้าอย่าง ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูกพรพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจผู้พยาบาลไข่ที่ประกอบด้วยองค์ห้าไม่ควรพยาบาลไข่ก็คือคนที่จะดูแลรักษาคอยพยาบาลทิกษุที่ป่วยไข้เนี่ยจะต้องมีองค์คุณที่ดีถ้ามีองค์คุณที่ไม่ดีพลาดอย่างนี้ก็ไม่ควรพยาบาลเลยเพราะว่าพยาบาลแล้วเดี๋ยวคนไข้ก็จะป่วยตุดลงอีก องห้าอย่างของผู้ที่ไม่ควรพยาบาลไข้ก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะประกอบยาได้ไม่รู้จักวิธีการในการประกอบยาเลยแต่สมัยนี้ก็มียาสําเร็จรูปหมดไม่ต้องมีการประกอบเองข้อที่สองไม่รู้จักของแสดงและของไม่แสดงก็คือนําเอาของแสดงเข้าไปให้กันเอาของไม่แสดงออกไปอันนี้คนไข้ก็ทุดลงแล้วก็ในที่สุดสตายได้แน่นอนเลย ไม่รู้จักว่าอะไรแสดงหรือไม่แสดงข้อต่อไปก็คือพยาบาลไข้เห็นแก่อามิตรไม่มีจิตเมตตาคิดว่าถ้าเกิดกัปปิถุปรังภาพนี่เดี๋ยวจีวรบาจะเป็นของเราการมีจิตคิดอย่างนี้พยาบาลไข้นี่ก็ไม่สมควรจะพยาบาลควรจะมีเมตตาไม่ควรเห็นแก่อามิตรข้อที่สี่เป็นผู้เกลียดที่จะนําอุจาระปัตตาวะและเขลักก็คือน้ําลาย หรือของที่อาเจียนออกไปเป็นคนที่ดังเกียจของสกปรกต่างๆอันนี้ก็มาพยาบาลไข้ไม่ได้เราพวกนางพยาบาลทั้งหลายนี่จะเกิดเป็นคนที่ดังเกียรจพวกสิ่งสกปรกเป็นคนที่เสียเอียนต่อพวกของสกปรกคนนี้จะไปเป็นนางพยาบาลาไม่ได้แล้วนะข้อที่ห้าก็คือเป็นผู้ไม่สามารถที่จะชี้แจงให้คนไข้เห็นแจ้งสมท า, านอาหารราดเอิบด้วยธรรมีคาถาในการทุกเมือ่อ ถ้าไม่สามารถที่จะแนะนําธรรมะทรงจําธรรมะอะไรก็ไม่ได้ไม่สามารถจะแนะนําให้กําลังใจต่อคนป่วยไข้ได้อันนี้ก็ไม่ควรจะมาเป็นพยาบาลไม่สามารถจะพยาบาลที่สุกไข้ได้ไม่เหมาะไม่ควรพึ่เป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าที่พระทผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สู่ผู้พยาบาลไข้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นผู้ที่ควรพยาบาลไข้ก็คือ หนึ่งเป็นผู้ที่สามารถประกอบยาได้มีความชมนิชำนาญในการประกอบยาด้วยอาการต่างๆจะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนจะเป็นถ่ายไี่ออกะอย่างไรก็แล้วแต่ประกอบยาได้ทั้งนั้นที่สองรู้จักของแสลงและไม่แสลงก็คือการเอาของแสลงออกไปแล้วก็นำเอาของไม่แสลงเข้าไปให้ทำให้ผู้ป่วยไข้นะั้นอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่ฉันของที่แสลงกับโรค ข้อที่สามมีจิตเมตตาพยาบาลไข้ไม่เห็นแก่อามิตรได้อามิตรหรือว่าไม่ได้ก็นะแต่ไม่ได้สนใจเลยแต่วนะ่คิดว่าได้เจริญเมตตาแล้วได้ปฏิบัติตามคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าก็คือใครจะพยาบาลหรือว่าใครจะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ให้ดูแลที่จุกไข้แทนนั่นแหละเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สมควรพยาบาลที่จุกไข้ เป็นผู้ไม่เกลียดที่จะนำอุจาราปตะวะเกียระหรือว่าของที่อาเจียนออกไปเสียแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือเป็นผู้สามารถที่จะชี้แจงให้คนไข้เห็นแจ้งสรรมทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีคถานในการทุกเมื่อมีการเข้าใจธรรมะทรงธรรมทร ง, ทรงวินยัยสามารถชี้แจงแต่คนป่วยไขย้ให้มีกําลังใจในการที่จะพากเพียรในการที่ไม่ทอดทิ้งกรรมฐานให้เจริญสมถะอุปัสนา ในการป่วยไข้เนือสบายเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะว่าได้เห็นพระจักอยู่ว่าเจ้านามธรรมรูปธรรมนี้มันไม่เปลี่ยนไปเนียนามันจะป่วยมันก็ป่วยรักษายอย่างไรบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายเพราะฉะนั้นคนป่วยไข้ใกล้จะตายนี่ก็ควรจะช่วยโอกาสในการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมโดยการพิจารณาถึงความป่วยไข้นั่นแหละเอามาเป็นสักขีพยานว่าเจ้านามาขันรูปขันเจ้าขันห้าเนี่ยมันเป็นโรค้โตจริง มันเป็นพยาธิธรรมโตแล้วก็เป็นอาพาธโตเป็นสิ่งที่เร็วสามเท่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นควรจะละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านาัขันรูปขันเหล่านี้เสียสามารถชี้แจงสามารถอนุเคราะห์แนะนำได้อย่างนี้สมควรมาเป็นผู้ที่พยาบาลพิษสุขให้ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งอันหนึ่งพิษสุผู้จะทำธรรมีิาถาก็คือจะแสดงธรรม ไม่พึงพันน า, นาคุณเห็นความตายแก่พิจตุอาภาพอย่างนี้ว่าความจริงท่านเป็นผู้มีศีลได้ทํากุศลไว้แล้วเพราะเหตุใดเมื่อจะตายจึงกลัวเล่าชื่อว่าสวรรค์ของผู้มีศีลเป็นของเนื่องด้วยแต่เหตุศัก์ว่าความตายไม่ใช่หรือดังนี้เป็นต้นไม่ควรจะไปพันพนาอย่างนี้ก้อท่านพิจตุนั้นฟังคำพันน า, นาของพิจตุรูปนั้นแล้ว ก็มรณภาพไปในระหว่างอายุแม้ที่เหลือเพียงชวนะเดียวก็คืออายุเหลือชวนะเดียวแต่ว่าพอได้ฟังอย่างนี้แล้วก็เลยตั้นใจตายหรือว่าอดอาหารตายเลยนะทําเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตายไปเนี่ยด้วยความพยายามมีการตัดอาหารเป็นต้นทิสุอาภาพนั้นเป็นผู้ชื่อว่าอันทิสุนั้นแลให้ตายแล้วทิสุผู้พยาบาลอยู่หรือว่าทิสุที่ไปพันนาคุณของความตายแก่คนป่วยไข้นี้ก็ชื่อว่า เป็นการทำปานานดิบาเป็นประราชิกเป็นประราชิกของพระิตร์ด้วยเป็นการพัฒ น, นาคุณแห่งความตายส่วนที่ตุ่ผู้เป็นบัณฑิตควรให้คําพร่ำสอนโดยในนี้ว่าความเกิดขึ้นแห่งมรรคและผลของท่านผู้มีศีนเป็นของไม่น่าอัศจรรย์เลยเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรทําความเกี่ยวข้องในสถานที่มีวิหารเป็นต้นก็คืออย่าไปคิดถึงวิหารกุฏิอย่าไปคิดถึงที่อื่นๆ ควรตั้งสติให้เป็นไปในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กายะคตาสติทำความไม่ประมาทในมนัษยิการดังนี้ก็คือให้ใต่ใจในพระตนตรยัยให้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั้นอยู่ในใจหรือว่ากายะคตาสติกรรมฐานกองไหนเคยเจริญมาชาวนิชำนานก็ให้ใส่ใจอยู่ในกรรมฐานนั้นๆแม้เมื่อพิจุพันาคุณแห่งความตายแล้ว พิจุดไม่ทำความพยายามอะไรอะไรเพราะการพนานานั้นวรณ์พะผ้าไปตามธรรมดาของตนตามอายุและตามความสืบต่อแห่งอายุพิสุผู้พนานาอันพระวินัยทอนไม่ควรปรับอบัติเพราะความตายของพิจุนั้นเป็นปัจจัยแต่ว่าอย่างไรก็ต้องอบััิทุกกฎก็คือมีเจตนากล่าวพนานาคุณแห่งความตายให้กับพิจุฟังมต้องอบับดทุกกฎะละ แต่ว่าพิกษุนั้นเขก็ไม่ได้ทำความ่าเพียงที่จะตายก็ตายไปด้วยตัวเองตายไปเพราะสิ้นอายุของตัวเองไม่ต้องอบับประรัชิบมีอบับประทุ ก, กต์เพราะว่ามีความพยายามแล้ว่ะมีความพยายามมีวจีวิ ญ, ญัาตแจงวาจาออกมาแล้วต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็มีพระบาลีว่าดูความพิสูจทั้งหลายพิสูจไม่พึงยังตนให้ตกไปก็คือฆ่าตัวตายไม่ควรฆ่าตัวตาย รูปใดให้ตกไปคือรูปใดฆ่าตัวตายรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎจะได้เกิดตายแล้วอบัตมันติดไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นอบัตตอนที่ลงมือฆ่าแล้วไม่ตายะเป็นอบัตทุกกฎแต่ถ้าฆ่าแล้วตายอาบัตไม่ได้ตามไปในอาบายด้วยนะหรือว่าไม่ได้ตามไปอย่างที่อื่นๆด้วยเพรว่ามีพระพุทธเจ้าหลายท่านที่ตั้งใจฆ่าตัวตายแล้วก็ ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์บางท่านไม่ฆ่าเรกแต่ตั้งใจจะปาดคอแล้วก็จเจริญวิปัสนาเพราะว่าตัวใหญ่นะคนจะตายแล้วก็ต้องหัดที่พึ่งก็พิจารณาติ่งนหนุ่ตนพอพิาจารณาถึงสิ่งก็สิ่งเราปฏิบัติ ด, ดีก็เกิดปีติโสมนัสเกิกดเจรือวิปัสนาแต่ละก่อนหน้านั้นมีความกำหนับมีราคะกระสันจะฝึกบ้างแต่ว่าเขาไม่อยากฝึกจเจริญวิปัสนาบารรลุก็มีแต่บางท่านก็ป่วยไขย้แล้วก็ได้ฌานคิดว่าถ้า ป่วยไข้อย่างนี้ไปบ่อยชันก็เสื่อมเดี๋ยวได้ชานพ็ป่วยไข้ชันก็เสื่อมอีกเพราะฉะนั้นพอได้ได้ชานก็กลัวว่าชันจะเสื่อมแล้วชิงฆ่าตัวตายันดีกว่าพอปาดคอเท่านั้นเองเจริญนิปัสสนาก็าบรรลุเป็นพระอรหันต์บางท่านก็ป่วยไข้คิดว่าตัวเองเป็นพระอารหันต์แล้วฆ่าตัวตายก็รู้ว่ายังไม่เป็นพระอารหรันต์เพราะว่ากรรมนิวิตปรากฏก็เจริญปัสสนาต่อเราก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีอย่างเช่นพระชนะ ชนะนี่คนลชนะกับที่เป็นมหาเถรของพระพุทธเจ้าท่านป่วยไข้แล้วก็ฆ่าตัวตายได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระโคดิกดารเพรฆ่าตัวตายใช้มีดโกนเฉือนคอเลยก็ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็ไม่มีอบัติอะไรแต่ว่าผู้ที่ตั้งใจฆ่าแล้วไม่ตายในี่สิอบัติทุกกฎตายโดยแล้วไม่มีอบัติแต่ว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายไปเกิดในอบยภูมิได้นีต้องระวังเหมือนกัน ฉะนั้นแม้ทิกจุไข่ก็ไม่พึงฆ่าตัวเองด้วยความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้ด้วยการอดอาหารแม้ทิกตุใดอาภาษามีความประสงค์จะตายเมื่อเพรตักและอุปถากมีอยู่ก็ตัดอาหารเสียทิกตุนั้นต้องทุกกดทีเดียวก็คือต้องอบัตทุกกฎตอนที่เป็นๆอยู่นี้แหละถ้าตายแล้วไม่มีอบัตหรอกแต่ว่าก่อนตายนี่มีอบัตแล้วก็ จิตเต้าหมองนี่นะต า, ต, า ต, า ต, าตายไปไปไม่ดีทุกติเป็นอันหวังได้ส่วนที่สุดัยอาพาธหนักเป็นเครื่องปูกพันอยู่นานก็คือมันยืดเยื้อมากต้องรักษาพยาบาลอยู่นานแล้วพิษุทั้งหลายผู้อุปถักต์อยู่ย่อมลําบากย่อมเกลียดชังคืออึดอัดอยู่ว่าเมื่อไรหนอพวกเราจะพ้นจากพิษตุอาพาธดังนี้ริสุจน์ที่พยาบาลใกล้บางท่านไม่เยีบคลายพยาบาลนานๆท่านก็เกิดความสตำคานอึดอัดได้เหมือนกัน ถ้าพิตุนั้นคือพิษุไข่เนี่ยคิดว่าอัตภาพนี้แม้ถูกประครับประคองไว้ก็ไม่ดำรงอยู่และพิจุทั้งหลายก็ลำบากแล้วตัดอาหารเสียไม่เสพสัตยข้อที่เธอตัดอาหารเสียนั้นย่อมควรก็คือได้พิจารณาเห็นโทษแล้วคือมีกุศลและจิตเกิดเห็นโทษว่าไอ้ร่างกายนี้ดูแลเยียวยามันยังไงมันก็ไม่กลับคืนขึ้ น, นมาให้เป็นปกติได้แน่นอนเลย เรคนอุปถากค่า้ก็ลำบากมากแล้วเพราะฉะนั้นเราไหนๆก็อบรมเจริญไตรสิกขาก็เพื่อจะละ 0, เจ้าขันห้าเจ้ารูปร่างกายนี้อยู่แล้วมันตระละมันจะเลยไปแล้วกันก็เลยอดอาหารไม่เสะเพะับอย่างนี้นะมีการพิจารณาด้วยสติสมชัญญ์ยะมีกุศลจิตเกิดอย่างนี้สมควรไม่มีอบับส่วนที่ตูดใดคิดว่าโรคนี้ร้ายแรมอายุสังขารย่อมไม่ดารงอยู่ และการบรรลุคุณวิเศษของเราก็ย่อมปรากฏเหมือนอยู่ในเนื้อมือแล้วตัดอาหารเสียข้อที่เธอตัดอาหารเสียนั้นย่อมควรเหมือนกันการที่จะมาบริโภคอาหารบริโภคยาอยู่เนี่ยมันก็ล่าช้ามันก็เสียเวลาอายุสังขารนี่มันก็สิ้นไปเสื่อมไปโรคร้ายแรนี่มันก็ไม่หายทัทีเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละเป็นวิธีการในการที่จะบรรลุ ค, คุณวิเศษเพราะว่า การที่คนจะบรรลุคนเอกิเศษได้กนจะต้องเป็นพวกปหิตตัดโตหมายถึงเป็นผู้ที่มีตนอันส่งไปแล้วคือไม่อะไรในร่างกายและชีวิตดันั้นคนที่มีจิตใจมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะไม่อะไรในร่างกายและชีวิตนี้แล้วก็น้อมไปในการที่จะเจริญวิปัสสนาก็สามารถที่จะตัดปัญหาอุปาทานได้เหมือนกันโดยเฉพาะในขณะที่เป็นโรคภัยร้ายแรงถ้ามีสติสัมผัญญะดดีไม่ห่วง อะไรอาวร์ในร่างกายและชีวิตนี้สามารถที่จะ้นได้เหมือนกันถ้าอย่างนี้จะตัดอาหารไม่บริโภคยาไม่ฉันยาก็ควรเหมือนกันแม้เมื่อพิจุผู้ไม่อ า, าพาเกิดธรรมสังเวสตัดอาหารเสียด้วยหัวข้อกรรมฐานเพราะคิดว่าชื่อว่าการแสวงหาอาหารเป็นที่เนิ่นช้าเราจะตามประกอบกรรมฐานเท่านั้นดังนี้ข้อที่เธอตัดอาหารนั้นย่อมควร ปกติแล้วการอดอาหารเป็นเรื่องของอตตะกิลมัทฐานุโยคเป็นการทําตนให้ลําบากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงเป็นตัวอย่างแล้วตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อดอาหารทําทุกรัตกิริยาถึงหกปีก็ไม่บรรลุเพราะองค์ก็ทรงสแสดงว่าหันทานนี้ไม่ใช่หนทานในกา ร, รกที่จะทําให้บรรลุการอดอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าสําหรับทิฏฐุที่รู้ว่า การที่จะมามัวฉันอาหารทําให้จิตในรสชาติของอาหารเป็นเครื่องเนิ่์นช้าแล้วก็เป็นความอะไรอาวร์แก่เจ้าอัตภาพก็คือรูปขันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เสียเวลาตามประกอบกรรมฐานเจริญกรรมฐานดีกว่าขณะที่ฉันอาหารแต่และมือ้อแต่และมื้อก็เปลือบชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยกว่าจะล้างบาศเสร็จกว่าจะทําอะไรเสร็จเนี่ก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะฉะนั้นเจริญกรรมฐานเลยดีกว่าอย่างนี้สมควร ไม่ได้เป็นอัตตกทีมเาบร น, นโยกอะไรก็รว่ามีการพิจารณาที่เหมาะสมแล้วที่ตุพยากรานการบรรลุคุณนิพพิเตแล้วตัดอาหารเสียข้อนั้นย่อมไม่ควรก็คื อ, ออดอาหารเพื่อจะพยากรคุณนิพพิเตต่างๆคนที่เขาตัดอาหารได้เขาก็ต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างแหละนนี้ไม่สมควรแต่จะบอกแก่ลัดชีติจุทั้งหลายผู้เป็นสภาคะกันควรอยู่ บอกกับพิสูจนที่ดีสินด้วยการบอกว่าผมไม่ชนะอาหารนะนะผมอยากจะประกอบความเพียรเพื่อที่จะบรรลุคุณนวิเศษต่างๆเพราะมัวติดในรถอาหารติดในอัตภาพร่างกายดีนันคงไม่บรรลุอะไรหรอกถ้าบอกอย่างนี้ควรอยู่หรือว่าแม้ได้บรรลุคุณวิเศษประการจะบอกแกพิสูจน์ผู้เป็นลัทธิด้วยกานเนี่ยควรอยู่เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้รู้แล้วก็น้อมไปในพันที่จะบริบัติ เป็นตัวอย่างการพิสูจรูปอื่นๆต่อไปเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจไม่พิจารมาก่อนแล้วอย่านั่งบนอาสนะรูปใดนั่งรูปนั้นต้องอบัตทุกกดเพราะฉะนั้นอาสนะต้องพิจารมาก่อนแล้วจึงนั่งแต่ต้องมาดูว่าอาสนะประเภทไหนที่สมควรพิจารณาอาสนะประเภทไหนที่ไม่พิจารณาก็ได้ ฉะนั้นพิสุไม่พิจารณาอาสนะก่อนแล้วไม่พึงนั่งถามว่าอาสนะเช่นไรต้องพิจารณาเช่นไรไม่ต้องพิจารณาก็แก้ว่าอาสนะล้นลวนไม่มีเครื่องปูนาข้างบนและอาสนะที่เขาปูนาต่อหน้าพวกพิสุผู้มายืนดูอยู่ไม่ต้องพิจารณาควรนั่งได้ก็คือ ไม่มีอะไรปูลาดข้างบนเลยเป็นอาสนะก็คือเป็นเตรียมเป็นตังเป็นจตีงเป็นตังอยู่เนี่ยนะไม่มีอะไรปูลาดอย่างนี้ก็นั่งได้ถือว่าเขาเอาผ้าเอาเครื่องลาดต่างๆมาปูต่อหน้าเลยนั่งได้เหมือนกันไม่ต้องพิจารณาแม้บนอาสนะที่ชาวบ้านเขาเอามือปลอบปลบก็คือเอามือตอบตบเอามือตอบ ต, บ, ตบเองแล้วถวายว่า ขอที่ม น, นั่งบนอาสนะนี้เถิดขอรับดังนี้ก็ควรนั่งได้ถ้าแม้ว่าพิกษุหลายรูปมานั่งอยู่ก่อนแล้วภายหลังจึงขยับขึ้นไปข้างบนหรือว่าถอยร่นลงมาข้างล่างก็ไม่มีกิจที่ต้องพิจารณาเหมือนกันแม้บนอาสนะที่เขาเอาผ้าบางๆคลุมไว้ให้มองเห็นพื้นอาสนะได้ไม่มีกิจที่จะต้องพิจารณาเหมือนกัน ส่วนอาสนะใดซึ่งเป็นของที่เขาเอาผ้าปาวานและผ้าโปชาเป็นต้นปูราดไว้ก่อนทีเดียวทิ่สุควรเอามือลูบคลกำกําหนดดูอาศนะนั้นเสียก่อนจึงนั่งแต่ในมหาปัจญายท่านกล่าวไว้ว่าในอาสนะใดแม้ที่เขาเอาผ้าตาดกที่หนาปูราดไว้รอยย่นไม่ปรากฏอาสนะนั้นไม่ต้องพิจารณาอันนี้ก็สาเหตุจากทิ่สุที่ไปนั่ง อาสนะแล้วก็ไปทับเด็กตายพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าถ้าจะนั่งอาสนะต่อไปนี้จะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นการพิจารณานี้ไม่ได้พิจารณาเรื่องอื่นไมไ่พิจารณาถึงธรรมะถึงเรื่องวิปัสสนาสมถาอะไรหรอกแต่ว่าเป็นการพิจารณาว่ามีอะไรอยู่ภายใต้อาสนะนั้นหรือกปลที่นั่งลงไปแล้วก็จะไปทําให้เจ้าตับหรือว่าอันตรายต่างๆจะเกิดกับตนเอง พราะฉะนั้นการพิจารณาในทีนี้ก็หมายถึงว่าพิจารณาว่ามีอะไรอยู่ใต้อัตนะนั้นไหมเรื่องปูราดนั้นหรกล่าโดยการเอามือลูบคลำดูถ้าอัตนะนั้นมีรอยย่นหรือว่าอาจจะมีตับอยู่ข้างในได้อาจจะมีพวกอะไรต่างๆว่าต้นเหยนี่มีเด็กเลยนะเด็กอยู่ใต้นั่งทับก็เลยตายเลยอะ่ะแล้วก็ของมีคมพวกน้ําพวกอะไรเศษอะไรต่างๆมีไห ม, มก็เอามือลูบคลำดูจะได้พ้นจากอันตรายด้วย การพิจารณานี้ก็พิจารณาอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะพิจารณาถึงประโยชน์ในการใช้สอยด้วยก็ยิ่งดีมากเลยก็จะทำให้ไม่เป็นหนี้นะก็คือพิจารณาว่าเราบริโภคเนนาสนะก็เพื่อที่จะบําบัดสิ่งต่างๆบำบัดหนาวร้อนสัมผัสเรือยยุงนมแดดต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะหลีกเล่นหรือว่าเพื่อที่จะปกปิดอวิยะอะไรต่างเกี่ยวกับจีวรด้วยนะอันนี้ก็เป็นการปลดเรื่องความเป็นหนี้ แต่ว่าข้อนั่งบนอาสนะตรงนี้หมายถึงป้องกันสิ่งที่จะมีโทษจากการที่จะไปนั่งทับตัดมีชีวิตหรือว่าอันตรายที่จะเกิดกับตนเองโดยที่มีของต่างๆนี้ทําอันตรายให้แก่ร่างกายตนเองต่อไปเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายที่สุไม่พึงกลิ้งหินเล่นรูปใดกลิ้งรูปนั้นต้องอาบัตทุกกด พระพิสุจะมากลิ้งหินเล่นนี้ก็ไม่เหมาะสมการละเล่นต่างๆนี้ไม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับพระพิสุแล้วฉะนั้นพิกสุไม่พึงกลิ้งหินด้วยประสงค์จะเล่นและไม่ใช่แต่กลิ้งหินอย่างเดียวเท่านั้นท่อนไม้หรือว่าก้อนอิฐอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นพิสุจะใช้มือหรือเครื่องยนต์กลิ้งย่อมไม่ควรพวกพิสุพากันหัวเราะเสือหนนกลิ้งอยู่กรดียกขึ้นอยู่กรดีซึ่งวัตถุ มีหินเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่พระเจดีย์เป็นต้นจัดเป็นคราวทําการงานเพราะเหตุนั้นกิจนิการกลิ้งเป็นต้นจึงควรถ้าจะทํากิจการงานทําประโยชน์แพระเจดีย์หรือว่าก่อสร้างทิง่งต่างๆซ่อมแซมทิง่งต่างๆเหล่านี้กลิ้งหินกลิ้งไม้กลิ้งอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าการเสียหารไม่ขอเท่าไร่แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงนะว่า ถ้ามีเรื่องที่จะทําให้หัวเราะชวนหัวต่างๆให้ทําเพียมอาการยิ้มแยม้มถ้าอยู่ในระแวกบ้านใจ ห, หัวเราะสิงดานเดียวบัดถูกกฎด้วยนะเมื่อไม่เอื้อเฟือเนี่ยผู้พิจิตร์เมื่อจะทํานวกรรมแม้อย่างอื่นเช่นนี้หรือจะซัดสิ่งของยกต้นไม้หรือว่าท่อนไม้สําหรับซัดจีวรขึ้นแล้วกลิ้งไปข้ออันย่อมควรถ้ามีกิจอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าห้ามกลิ้งหินเล่นห้ามกลิ้งก้อนไม้เล่นเท่านั้นต้นไม้อะไรต่างๆ ในเวลาทำภัฒกิจเป็นต้นพิกตุข้างท่อนไม้หรือว่ากระเบื้องถ้วยไปเพื่อไล่ปูงกาหรือว่าเหล่าตุนักให้หนีไปข้อนั้นย่อมควรแต่ว่าก็ต้องระวังว้างท่อนไม้กระเบื้องไปนี่เป็นโดนไอ้เจ้ากาเจ้าสัตว์เหล่านั้นตุนัขเหล่านั้นมีโทษเนการถ้าเจตนาคือกว้างไปด้วยโทสะนี่ก็มีอบัางเป็นการประหารอนุสัมพันธ์เพราะว่าเจ้าพวกกาพวกตุนักสัตว์เหล่านี้น จัดว่าเป็นอนุสัมพันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีจิตคิดประหารแล้วก็กว้างไปจะโดนหรือไม่โดนก็แล้วแต่ถ้าโดนก็อบัตทุกกฎถ้าไม่โดนก็อบัตทุกกฎเพราะว่ามีความพยายามีประโยคะในการที่จะประหารและต่อไปเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายที่สุไม่พึงเผาป่ารูปใดเผารูปนั้นต้องอบัตทุกกฎ ฉะนั้นทิ่ตุไม่พึงจุดไฟในป่าถ้าพิกตุจุดไฟด้วยประสงค์ว่าสัตว์บางตัวในระหว่างนี้จงตายดังนี้เป็นปาราชิกเป็นต้นถ้าคนอยู่ในป่านี้ก็ขอให้คนนั้ตายไปเลยหรือว่าสัตว์ใดๆก็แล้วแต่อย่างเช่นพวกยักษ์ยักษ์อยู่ในป่านี้ก็ขอให้ยักษ์ตายไปเลยถ้าคนตายต้องบัตปาราชิกถ้ายักษ์ตายต้องบัรทุนละใจ ถ้าสัตว์เดรัจฉานตายไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยก็อาบัติประยตีถ้ามีเจตนาจุดไฟเผ า, าเพื่อจะให้สัตว์นั้นตายมีอบัติปา ร, ราชิกเป็นต้นตามสมควรแก่วัตถุแองปา ร, ราชิกหรือว่าถ้าเกิดเป็นพ่ออยู่ในนั้นก็อ น, นันตริยกรรมหรือพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นก็เป็นอ น, นันตริยกรรมแล้วก็เป็นถุนใจประยตีก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกอมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานและเป็นกองอาคุณใหญ่ด้วย ก็เมื่อพิกูตจุดไฟด้วยคิดว่าหญ้าสดและไม้เจ้าป่าทั้งหลายจงถูกไฟไหม้ดังนี้เป็นปาจิตตีเมื่อเผาด้วยคิดว่าเครื่องอุปกรณ์ไม้ทั้งหลายจงพินาศไปดังนี้เป็นทุกกฎในสังเกตอัตถกถากล่าวว่าเมื่อเผาด้วยความประสงค์จะเล่นก็เป็นทุกกฎเหมือนกันเมื่อเผาด้วยคิดว่าไม้สดและไม้แห้งชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีอินทรีย์และไม่มีอินทรีย์ก็ตามจงถูกไฟไหม้ ดังนี้พึงทราบว่าเป็นประราชิกถุนจใจปัจจิตตีและทุกกฎ ด, ด้วยอำนาจวัตถุก็คือไปเข้าข้ออธินาทาน ข, าข้อข้ออธินาทานหรือว่าพวกที่บีนซีมาถึง ม, มีชีวิตถ้าเป็นพวกมนุษย์โทรศัพท์เดรัจฉานอะไรพวกนี้เป็นอวบประราชิกถุนจใจปัจจิตีได้เหมือนกันการจุดไฟรับและการทําการป้องกันพระผู้มีาพาาระภาคเจ้าอนุญาตไว้แล้ว เพราะฉะนั้นการที่พี่ตุกเห็นไฟที่คนทำงานในป่าจุดหรือเกิดขึ้นเองในป่ากำลังลุกลามมาแล้วจุดไฟรับไฟนั้นซึ่งจะเป็นเหตุให้ไฟลุกลามมาบรรจบกันเข้าไม่เชื้อหมดแล้วก็ดับไปด้วยตั้งใจว่ากระท่อมหญ้าทั้งหลายจงอย่าพิน娜 ด, ดังนี้ย่อมควรจุดไฟรับไฟที่ไม่มาเพื่อให้มันสิ้นเชื้อแล้วก็ดับไปอันนี้สมควรเป็นการดับไฟวิธีหนึ่ง การที่พิจุจะทําแม้เครื่องป้องกันคือการถาพื้นดินหรือขุดคูไว้โดยรอบกระท่อมมุงหญ้าโดยประการที่ไฟซึ่งรุกรามมาไม่ได้เชื้อนะจะดับไปเองก็ควรเหมือนกันสามารถที่จะถาพื้นดินได้แต่ว่าถ้าไม่มีเหตุอะไรไปทาพื้นดินก็อบัตภัยิุติขุดดินนี้ต้องอบัดและเมื่อไฟลุกรามขึ้นแล้วเท่านั้นเมื่อไม่มีอนุสัมพันธ์จึงควรทํากิจ มีจุดไฟระดับเป็นต้นทั้งหมดนั้นแม้ด้วยตนเองก็ควรก็คือถ้าไม่เหนีอนุกสัมบัณฑ์แล้วก็ไฟมันไม่ลุกรามมาเท่านั้นนะจึงสามารถจะไปถ่าพื้นดินถึงว่าไปจุดไฟระดับได้ด้วยตัวเองเมื่อไฟยังไม่ลุกรามขึ้นพึงใช้อนุสัมปันให้ทําด้วยกับปิยะโบหารก็ต้องใช้วาจาที่เหมาะสมด้วยเอา้าตบเนนไปพิจารณานี้ทายังไงไฟมันถึงจะดับ หรือว่าไปกันไฟแต่ว่าในคนทั้งหลายนี่ก็บอกว่าถ้าจุดไฟรับไปเนี่ยนะไปหมดเชื้อมันจะดับไปแต่บริเนฉลาดก็รู้ก็ไปทำหรือว่าคนทั้งหลายก็บอกว่าเวลาไฟไหม้นี่นะต้องถาพื้นดินให้เชื้อไฟตรงนั้นมันไม่มีถ้ามันแหวนไปไม่มีเชื้อเดี๋ยวมันก็จะดับไปแต่บริเนชลาดก็จะไปทําได้และเมื่อจะให้ดับด้วยน้ําควรใช้น้ําที่ไม่มีตัวสัตว์เท่านั้นรดก็ต้องระวัง เพราะว่าขณะที่จะเอาน้ําไปดับไฟขณะนั้นไม่ได้สนใจหรอก ว, ว่าน้ํามีตัวสัตว์หรือไม่มีตัวสัตว์ถ้ามันมีตัวสัตว์แล้วตักไปรถมีอบัติเพราะว่าสุาบทนี้ต้องรู้อยู่คือรู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์เท่านั้นแล้วก็เอาไปใช้เอาไปบริโภคถึงจะต้องปฏิเจตีแต่ว่าเวลาจะไปดับไฟก็ต้องพิจารณาด้วยมีสติพิจารณาว่าน้ํานั้นมีตัวสัตว์หรือเปล่าถ้าน้ํานั้นมีตัวสัตว์ไปเอาน้ําอื่นแต่ว่าตักด้วยความระมัดระวัง ถ้าตักด้วยความระมัดระวังแล้วก็เข้าใจว่าน้ํานั้นไม่มีตัวสัตว์แต่ว่าพระเอลมันมีตัวสัตว์ด้วยแต่ว่าเข้าใจไม่มีตัวสัตว์เมื่อเอาไปลถเอาไปรถหญ้ารถดินเอาไปรถไฟก็ไม่เป็นอบัตเพราะว่าเป็นการสําคัญผิดศี่คาบทข้อนี้ต้องเป็นสัจจิตกัดต้องรู้อยู่ด้วยจึงจะเป็นอบัตกต่อไปทิสุได้บินทบาที่ปราณีโดยสรบ ในตระกูลพวกมิจฉาทิฏฐิผู้ไม่มีศรัทธาเอา้าแล้วก็จะเคารพได้อยู่ในหมายถึงว่าเ้าถวายอย่างดีเลยอาหารที่ปราณีตแต่เป็นในตระกูลของมิจฉาทิฐิแล้วก็รู้ได้ว่าปกติเขาไม่มีศรัทธาหรอกแต่ว่าเขาทําไมถวายอาหารอย่างปราณีตแล้วก็แสดงความเคารพอย่างมากยังไม่ได้พิจารณาด้วยตนเองไม่พึงบริโภคด้วยตนเองด้วยทั้งไม่ควรถวายแก่ที่อยู่เลาอื่นด้วย ก็ต้องระวังมากเลยถ้าตระกูลไหนเป็นผู้มีชาติหรือว่าตระกูลไหนที่เขาทะเลาะกับพระพิสุทะเลาะกับวัดก็ไม่ได้มีศรัทธาฉะ น, นั้นถ้าเกิดเขาออกอาหารเอาของมาถวายนี้ต้องพิจารณาอย่างทุวนทีเลยนะถ้าไม่แน่ใจอย่าบริโภคอย่าฉันจริงอยู่ตระกูลวิชาติทิฐิเหล่านั้นย่อมถวายซึ่งบิณฑบาตแม้ที่เจือด้วยยาพิษก็ได้หวังจะฆ่าพระพิสุเลยรับถือคนละรัทิกัน ถือว่าเป็นศัตรูกันอันไปที่ตูตถูกลองยาหรือว่าถูกฆ่าได้ง่ายๆเนี่ยสมัยก่อนก็คงจะมีเยอะเพวกที่ทํายาพิษหรือว่าทํายาอะไรต่างๆจะมาลองไม่รู้จะลองกับใครก็ลองกับพระพิโตเพราะว่าต้องไปบินทบาทอาหารทุกเช้าอยู่แล้วเขาเอายาพิษใส่อาหารมาก็ไม่มีใครรู้หรอกพิโุได้ทัศทหารถือว่าของควรขบฉันแม้สิ่งใดที่เป็นของค้างคืนมาจากตระกูลมิชาทิฐินนั้น พัะตาหารเป็นต้นแม้นั้นไม่ควรฉันเอาไปทิ้งก็ได้แต่ว่าก็อยากให้เขาเห็นก็แล้วกันเพราะว่าตระกูลเหล่านั้นย่อมถวายแล้วัตถุที่เขาไม่ได้เอาอะไรปิดไว้ซึ่งมีงูและแมลงป่องเป็นต้นนอนทับอยู่เป็นของที่จะต้องทิ้งเป็นธรรมดาที่สุไม่ควรรับบิณฑบาตแม้ที่เปื้อนด้วยวัตถุมีของหอมและขมิ้นเป็นต้นจากตระกูลมิจฉาทิฐินั้น จริงอยู่ตระกูลมิชชันิติเหล่านั้นย่อมสําคัญซึ่งพระอาหารอันตนเอาเช็ดถูที่มีโรคในร่างกายแล้วเก็บไว้ว่าเป็นของควรถวายแล้วเขาก็ไม่ได้มีความเคารพยำเกรงจริงๆมันก็อาจจะแกล้งเอาอาหารตีเช็ดไปถูกับร่างกายที่เป็นโรคเป็นกลาบเป็นเกลอนลเป็นอะไรต่างๆแล้วก็เอามาถวายพระพิสุเพราะฉะนั้นต้องระวังก็เป็นตระกูลมิชชานนิติก็ไม่แน่ใจก็อย่าฉันเลย เราไม่ควรที่จะให้พิจารูปอื่นฉันด้วยนะไม่ควรให้ใครๆฉันต่อไปอีกเรื่องหนึง่งคํานี้ว่าดูคัามพิจารุทั้งหลายไม่ต้องอาบัตเพราะคนรักษาถวายหมายถึงคนรักษาส่วนเป็นต้นในเรื่องคนรักษามะม่วงถวายเป็นต้นนั้นมีวินิจฉัยดังนี้ถามว่าคนรักษาถวายเท่าไร่จึนควรถวายเท่าไรไม่ควรตอบว่า พระมหาสุมาเถระกล่าวไว้ก่อนว่าผลไม้ใดซึ่งคนรับสากำหนดถวายด้วยคําว่าพระคุณเจ้าจงรับเอาผลไม้มีประมาณเท่านี้ทุกทุกวันผลไม้นั้นนั่นแหละย่อมควรเขาถวายเกินไปกว่านั้นไม่ควรส่วนพระมหาปทุมเถระกล่าวไว้ว่าหนังสือที่พวกคนรับสาเขียนไว้ หรือว่าทำสัญญาเครื่องหมายถวายไว้จะมีประโยชน์อะไรคนรักษาเหล่านั้นก็เป็นอิสระแห่งผลไม้ที่เขาสละแล้วในมือของพวกเขาเพราะเหตุนั้นผลไม้ซึ่งควรักษาเหล่านั้นถวายแม้มากก็ควรอันนี้ความเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ระหว่างพระมหาสุมาเถระกับพระมหาปุมเทระแต่ว่าก็ต้องพิจารณาเพราะว่าบางครั้งท่านพระมหาสุมเทระ ไม่ได้ใช้มีเหตุผลมากกว่าบางครั้งพระมหาปตุมัสเทระไม่ได้ใช้มีเหตุผลมากกว่าก็ต้องดูแล้วก็สรุปว่าเอาวินิจฉัยสุดท้ายนั่นแหละเอาวินิจฉัยสุดท้ายเป็นที่น่าเชื่อถือกว่าสอบพิจารณาเทียมจากพระพุทธพจน์และว่าอัตถนาที่อื่นด้วยส่วนในอัตถนากรุนทีท่านกล่าวว่าพวกเด็กหนุ่มของชาวบ้านย่อมรักตาสวนหรือผลไม้น้อยใหญ่อย่างอื่นไว้ ผลไม้น้อยใหญ่ที่เด็กหนุ่มเหล่านั้นถวายย่อมควรแต่พิจุใช้ให้พวกเด็กนำมาแล้วไม่ควรรับ ก, ก็คือจะต้องเป็นของ็าถวายเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักษาสวนไม่ใช่เป็นเจ้าของสวนถ้าเป็นเจ้าของสวนนี้ถวายเท่าไรก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นคนรักษาสวนเขามีสิทธิในการที่จะถวายได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าไม่ควรใช้เขานามาถวาย การถวายผลไม้ของชวนผู้รักษาสวนของสงฆ์และของเจดีย์นั่นแหละย่อมควรเพราะว่าเขาก็ต้องมีความสามารถในตามที่จะบริโภคได้ก็มีความสามารถในการที่จะถวายได้ด้วยการถวายของชวนผู้รักษาด้วยสินจ้างเพียงส่วนของตนเท่านั้นจึงควรมาถึงส่วนใดที่เป็นส่วนที่ได้รับเป็นค่าจ้างก็ถวายส่วนนั้นเท่านั้นจึงจะควร ในมหาปัญจรีท่านกล่าวว่าพวกลูกจ้างผู้รักษาสวนของเคระหัตถถวายผลไม้ใดแก่พิสุทั้งหลายผลไม้นั้นย่อมควรพวกคนผู้รักษาสวนของพิสุสงแบ่งผลไม้ใดจากค่าจ้างของตอนถวายผลไม้นั้นก็สมควรแม้ผู้ใดได้รับค่าจ้างแล้วจึงรักษาสวนเพียงกึ่งหนึ่ง หรือต้นไม้บางชนิดเท่านั้นการถวายผลไม้จากต้นไม้ที่ถึงแก่ตนนั้นเองแม้ของผู้นั้นก็ควรแต่สำหรับชนผู้รับเช่ารักษาสวนจะถวายผลไม้ทั้งหมดก็ควรพวกที่เขาเช่าแล้วก็รักษาสวนไว้เนี่ยนะเมื่อเขาเช่าไปแล้วจะถวายผลไม้ทั้งหมดก็ควรเพราะว่าเมื่อเขาเช่าเขาก็มีติดในการที่จะเก็บผลไม้ทั้งหมด จะไปถวายใครจะไปขายจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นก็คำที่ท่านกล่าวมานั่นทั้งหมดต่างกันแต่โดยพยัญชนะโดยอัตก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาควรทราบความประสงค์แล้วจึงรับเอานี่ก็เป็นความเห็นในมหาปัญจรีแา่สรุปแล้วกุรุนทีก็ตามปัญจรีก็ตามโดยความหมายโดยอัตเถก็ อ, อันเดียวกันก็คือว่าเมื่อเขามีสิทธิ เขาดูแล ร, รักษาสวนไว้หรือว่าเขาเช่าก็แล้วแต่เขาจะถวายก็เป็นอันรับได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าอย่าไปใช้ให้คนเฝ้าสวนนำมาถวายก็แล้วกันมีเรื่องของการแบ่งผลไม้อะไรต่างๆซึ่งจะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้สมควรจะเวลาขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งใจในการอบรมกตรจิตาเพื่อที่จะบรรลุ อริยสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารนาให้ ส, มสัมพัน์ทั้งหลายคนจักทุกข์ก็ขอยท่านทั้งหลายได้อบรมตราชิกาเพื่อนจักวัตรทุกข์โดยทั่วการเทินสาธุสาธุสาธุ